นะพี่ชายนี่กินเหล้านี่ที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับการที่ตัวน้องชายนี่ไปทํากับพี่ชายนะ้พี่ชายแค่ผิดสิงข้อ5้านะแต่ว่าน้องชายนี่ผิดสีงข้อที่1เต็มเต็มเลยนะเตือนคนอื่นนะแต่ว่าลืมเตือนตนนะมองเห็นโทษของคนอื่นมากมายแต่ว่า <c oughs>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 หรือพ่อแม่กินกินอาหารไม่เลือกจนทั้งเป็นเบาหวานนะหรือว่าเป็นโรคหวัวใจไนะขมันเนี่ยนะอุดตันเส้นเลือดอยากจะให้พ่อแม่เลิกบุหรี่ให้พ่อแม่เลิกกินอาหารประเภทที่มันมีน้ำตาลนะมีไขมันแต่พอพ่อแมอ่ทำไม่ได้หรือว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือนะให้ความปรารถนาดีต่อพ่อแม่เนี่ยมันก็กลายเป็นความไม่พอใจ นะไม่พอใจพ่อแม่พอพ่อแม่ทำยิ่งมากเข้าความไม่พอใจของลูกก็สะสมนะจกนกระทั่งด่าไปนะหลุดปากด่าพ่อด่าแม่นะนะก็ทําให้เกิดความเสียใจนะแม่ก็เสียใจพ่อก็เสียใจนะคนป่วยนะลูกก็เสียใจแล้วก็บางทียิ่งถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปเนี่ยก็ให้ความเสียใจความรู้สึกผิดนี่ก็จะติดค้างใจไปอีกนานนะบางทีติดค้างใจไปจนตายนะ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 เพื่อเรานะไม่ใช่เราแนะนําเพื่อเขาเนะเราเนทีแรกเราแนะนําด้วยความปรารถนาดีต่อเขาแต่แปรมาเนี่ยเราอยากให้เขาทําดีอย่างที่เราต้องการเป็นการทําเพื่อเรานะไม่ใช่เราทําเพื่อเขาเนะียและพอเขาไม่ทําอย่างที่เราต้องการก็โกรธนะคนที่โกรธนะเพราะปรารถนาดีกับผู้อื่นนี่มันมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้นะ มีเมตตาแต่ว่าเมตตายัางไม่มีสติเมตตายัางไม่มีปัญญาเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความในในความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยมันก็สามารถจะกลายเป็นโทษได้นะต้องระวังนะพ่อแม่เนี่ยที่ปรารถนาดีกับลูกก็ต้องระวังนะว่าไอ้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยมันเจอไปด้วยกิเลสหรือเปล่านะอยากจะให้ลูกนะเรียนวิชานี้เรียนคณะ น, นี้เรียนมหาวทยาลัยนี้นะ แต่ว่าลูกไม่ยอมเรียนลูกอยากจะเรียนคณะอื่นวิชาอื่นพ่อแม่ก็โกรธนะต่อว่าลูกนะก็เกิดการทะเลาะเบาออแหวงกันได้เนะพราะนั้นเนี่ยนะเราเวลาเราเจตนาดีเราปรารถนาดีกับใครก็ตามเนี่ยนะให้ทําอย่างมีส ต, ตินะไม่ได้คิดว่าในเมื่อฉันปรารถนาดีกับเธอแล้วเนี่ยเธอต้องทําตามฉันนะถ้าไม่ทําตามฉันที่ฉันโกรธนะนะอันนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ในกรณีเนี่ยที่เล่ามานี่มก็เห็นเลย น, นะว่ามันน่าคิดมากทีเดียวนะปารถนาดีอยากจะให้พี่ชายอดเล่าเข้าพรรษานะแต่ตัวเองนี่กลับไปฆ่าเขาเนี่ยอันนี้มันสามารถจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะถ้าไม่มีสติถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นในความดีในความปารถนาดีของตัวเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดเหตุร้ายได้เสมอเอาล้เตรียมรับผ่